ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องพระมหาโมคคลานะภาคที่ห้าเรื่องที่เจ็ของวรคที่สิบทันทวักวรนนาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปราบรพระมหาโมคคลานะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า โยดันเดนะอดันเดสุเป็นตน้นตอนพวกเดรธีคิดหาอุบายข้าท่านความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพวกเดรถีประชุมกันคิดว่าท่านผูมีอายุท่านทั้งหลายทราบหรือตัยเหตุอะไรลาบสการะจึงเกิดขึ้นเป็นนันมากแก่พระสมณโคดมเดรถีพวกหนึ่งกล่าวว่า พวกข้าพเจ้าไม่ทราบส่วนพวกท่านทราบหรือเจดียถีที่รู้เรื่องก็พากันตอบว่าก็รับพวกข้าพเจ้าทราบลาภและส ก, การะเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระเถระรูปหนึ่งชื่อมหาโมคคลานะเพราะพระเถระนั้นไปเทวโลกถามกรรมที่พวกเทวดาทาแล้วก็กลับมาบอกกับพวกมนุษย์ว่าถวยเทพทำกรรมชื่อนี้ ย่อมได้สมบัติเห็นป่านนี้แม้ไปนรกก็ถามกรรมของหมู่สัตว์ผู้เกิดในนรกแล้วกลับมาบอกพวกมนุษย์ว่าพวกเนร ย, ยิ่งสัตว์ทำกรรมชื่อนี้ย่อมเสวยทุกข์เห็นป่านนี้พวกมนุษย์ได้ฟังถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้วย่อมนำลาบสการะเป็นอ น, นมากไปถวายถ้าพวกเราจะสามารถฆ่าพระเถระนั้นได้ไซ ลาบและสการะนั้นก็จะเกิดแก่พวกเราตอนเดรถีจ้างพวกโจรฆ่าพระเถระเดรถีเหล่านั้นต่างรับรองว่าอุบายนี้ใช้ได้ทุกคนเป็นผู้มีฉันทะอันเดียวกันตกลงกันว่าพวกเราจะทํากรรมอย่างได้อย่างหนึ่งฆ่าพระเถระนั้นเสียทั้งนี้แล้ว ชักชวนพวกอุปถาของตนได้ทรัพย์พันกระหาปนะให้เรียกหมู่โจรผู้เที่ยวทำกรรมคือฆ่าบุรุษมาแล้วสั่งว่าพระเถราชื่อมหาโมคคลานะอยู่ที่กาลสิลาพวกเจ้าไปในที่นั้นแล้วจงฆ่าพระเถระานั้นทั้งนี้แล้วก็ได้ให้กระหาปนะแก่พวกโจรพวกโจรรับคำเพราะความโลภในทรัพย์ ตั้งใจว่าพวกเราจะฆ่าพระเถระทั้งนี้แล้วไปล้อมที่อยู่ของพระมหาโมคคลานะเถระนั้นไว้ตอนพระเถระถูกพวกโจรทุบพระเถระทราบความที่ตนถูกพวกโจรเหล่านั้นล้อมแล้วจึงออกไปทางช่องลูกกุญแจหลีกไปเสียในวันนั้นพวกโจร น, นั้น มิได้เห็นพระเถระวันรุ่งขึ้นจึงไปล้อมอีกพระเถระทราบแล้วก็ทำลายมนทนช่อฟ้าห่อไปสู่อากาศเมื่อเป็นเช่นนี้ในเดือนแรกก็ดีในเดือนท่ามกลางก็ดีพวกเทะถีนั้นก็มิได้อาจจับพระเถระได้แต่เมื่อมาถึงเดือนสุดท้าย พระเถระทราบภ า, าวะคือการชักมาแห่งกรรมอันตนทาไว้แล้วจึงไม่ได้หลบเลี่ยงพวกโจรไปจับพระเถระได้แล้วทุบกระดูกทั้งหลายของท่านให้แตกยับเป็นชิ้นน้อยประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหักทีนั้นพวกโจรเหวี่ยงท่านไปที่หลังพุ่มไม้แห่งหนึ่งด้วยสำคัญว่าตายแล้วก็หลีกไปตอน พระเถระประสานกระดูกแล้วไปเฝ้าพระศัสดาพระเถระคิดว่าเราเฝ้าพระศัสดาเสียก่อนแล้วจากปรินิพานตรงนี้แล้วจึงประสานอัฐภาพด้วยเครื่องประสานคือชานทําให้มั่นคงแล้วไปสู่สํานักพระศัสดาโดยอากาศถวายบังคมพระศัสดาแล้วกราบทูลว่า ข้าพระองค์จากปรินิพานพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเธอจากปรินิพานหรือโมคขลา น, นะพระเถระจากปรินิพานพระเจ้าค่าพระสัสดาเธอจากปรินิพานณน์ที่ไหนพระเถระข้าพระองค์จากไปสู่ประเทศชื่อกาลศิลาแล้วปรินิพานพระเจ้าค่าพระสัสดา โมคละลานะกากระนั้นเธอกล่าวทำเกี่ยเราแล้วจึงค่อยไปพระบัินี้เราไม่พบเห็นสาวกผู้ชิ่นเธออีกตอนพระเถระแปลงฤทธิแล้วปรินิพานพระเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์จะกระทำอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดังนี้แล้วถาวายบังคมพระสัสดา ออกขึ้นไปในอากาศแผลงฤทธิ์มีประการต่างๆอย่างพระสารีบุตรแผลงในวันปรินิพพานแล้วกล่าวธรรมถวายบังคมพระสาสดาแล้วไปสู่ดงแทบกาลสีลาประเทศปรินิพพานแล้วถ้อยคำล่ำลือแม้นี้ว่าข่าวว่าพวกโจรฆ่าพระเถรราชเสียแล้วดังนี้ได้กระชนไปทั่วชมพูทวีป ตอนพวกโจรถูกจารบุรุษจับได้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงแต่งจารบบรุษไปเพื่อต้องการสืบเสาะหาพวกโจรเมื่อโจรแม้เหล่านั้นซึ่งกําลังดื่มสุราอยู่ในโรงดื่มสุราโจรคนหนึ่งก็ถองหลังโจรคนหนึ่งให้ล้มลงโจรที่ถูกถองหลังนั้นขู่ตะคอกโจร น, นั้นแล้วพูดว่า เฮ้ยไอ้หัวดือ้อทำไมจึงถองหลังกูเล่าโจรผู้หนึ่งเอ้ยอายโจรชั่วก็พระมหาโมคลานะมึงลงมือตีก่อนหรือโจรอีกผู้หนึ่งก็มึงไม่รู้ว่าพระมหาโมคลานะถูกกูตีดอกหรือเมื่อพวกโจรเหล่านั้นพากันกล่าวอวดอ้างอยู่ว่าพระโมคลานะ กูตีเองแล้วกูตีเองแล้วจาระบุรุษเหล่านั้นได้ยินแล้วจึงจับโจรเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้วกรับทูลแด่พระราชาพระราชาทรงรับสั่งให้เรียกพวกโจรมาแล้วตรัสถามว่าพวกเจ้าข่าพระเถระหรือพวกโจรเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระราชาใครใช้พวกเจ้าเล่า พวกโจรพวกสมณะเปลือยพระเจ้าค่าตอนพวกเดร ถ, ถีและพวกโจรถูกลงโทษพระราชาส่งรับสั่งให้จับสมณะเปลือยประมาณห0 0ร้อยแล้วให้ฝังไว้ในหลุมประมาณเพียงสสดือที่พระลานหลวงรวมกับโจรทั้งห้าร้อคนให้กลบด้วยฟางแล้วก่อไฟเผาครั้นทรงทราบว่า พวกเหล่านั้นถูกไฟไหม้แล้วจึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็กทำพวกนั้นทั้งหมดให้เป็นท่อนและหาท่อนไม่ได้รับสั่งให้ทำการเสียบเหลาไว้ในโจรสี่คนตอนพระเถระถึงมรณะสมควรแก่กรรมของตนภิกษุทั้งหลายสนทนาการในโรงธรรมว่านาสังเวจริงพระมหาโมคคลานะ มรณาภาพไม่สมควรแก่ตนพระสัสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายปัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยคาถาชื่อนี้พระเจ้าค่าดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคลานะ มรณาภาพไม่สมควรแก่อัตภาพนี้เท่านั้นแต่เธอถึงมรณาภาพสมควรแท้แกกรรมที่เธอทำไว้ในการก่อนอันภิกษุทั้งหลายทูลถามว่ากบุพกรรมของท่านเป็นอย่างไรพระเจ้าค่าได้ตรัสอดีตนิทานอย่างพิสดารดังต่อไปนี้ตอนบุพกรรมของพระมหาโมคลานะ ดังได้สดับมาในอดิตการกุลบุตรผู้หนึ่งเป็นชาวเมืองพารณสีทำกิจต่างๆมีตําข้าวและหุงต้มเป็นต้นเองทั้งนั้นปรนิบัติมารดาบิดาต่อมามารดาบิดาของเธอพูดกับเขาว่าพ่อเจ้าผู้เดียวเท่านั้นทำงานทั้งในเรือนทั้งในป่าย่อมลำบาก มารดาบิดาจักนําหญิงสาวคนหนึ่งมาให้เจ้าถูกเขาห้ามว่าคุณแม่และคุณพ่อผมไม่ต้องการด้วยหญิงสาวเห็นป่านนั้นผมจักบารุงท่านทั้งสองด้วยมือของผมเองตราบเท่าท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ก็อ่อนวอนเขาแล้วแล้วเล่าๆล่าแล้ ว, ล ว, ลวนําหญิงสาวมาให้เขาตอน หญิงชั่วยุยงผัวข้ามารดาบิดาหญิงนั้นบำรุงแม่ผัวและพ่อผัวได้เพียงสองถึงสวันเท่านั้นภายหลังก็ไม่อยากเห็นท่านทั้งสองนั้นเลยจึงบอกสามีว่าฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกับมารดาบิดาของเธอได้ดังนี้แล้วติเตียนต่างๆนานาเมื่อสามีนั้นไม่เชื่อถ้อยคำของตน ในเวลาสามีไปภายนอกถือเอาปอก้านปอและฟองข้าวยาคูไปเรียรายไว้ในที่นั้นๆสามีมาแล้วก็ถามว่านี่อะไรกันก็บอกว่านี่เป็นกรรมของคนแก่ผู้บอดเหล่านี้แกทั้งสองเที่ยวทําเรือนทั่วทุกแห่งให้โศกปรกฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับแกทั้งสองนั้นได้ ตอนเชื่อเมียต้องเสียพ่อแม่เมื่อหญิงนั้นบ่นพร่ำอยู่อย่างนั้นสัตว์ผู้มีบารมีบำเพ็ญไว้แล้วแม้เห็นป่านนั้นก็แต่กับมารดาบิดาได้เขาพูดว่าเอาเถอะฉันจักรู้กรรมที่ควรทําแก่ท่านทั้งสองดังนี้แล้วเชิญมารดาบิดาให้บริโภคแล้วก็ชักชวนว่า ค่าแต่พ่อและแม่พวกยากในที่ชื่โนโอนหวังการมาของท่านทั้งสองอยู่ผมจะพาไปในที่นั้นดังนี้แล้วให้ท่านทั้งสองขึ้นสู่ยานน้อยแล้วพาไปในเวลาถึงกลางดงหลวงว่าคุณพ่อครับขอพ่อจงถือเชือกไว้โคทั้งสองจะไปด้วยสัญญาณแห่งปตัตตกในที่นี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ ผมจะลงไปดังนี้แล้วมอบเชือกไว้ในมือของบิดาลงไปแล้วได้เปลี่ยนเสียงทำให้เป็นเสียงพวกโจรซุ่มอยู่ตอนมารดาบิดาเนหาในบุตรยิ่งกว่าตนมารดาบิดาได้ยินเสียงนั้นด้วยสำคัญว่าพวกโจรซุ่มอยู่จึงกล่าวว่าลูกเ อ, อ๋ยแม่และพ่อแก่แล้ว เจ้าจงรักษาเฉพาะตัวเจ้าให้พ้นภัยเถิดเขาทำเสียงดุดโจนทุบ ต, ตีมารดาบิดาแม้ผู้ร้องอยู่อย่างนั้นให้ตายแล้วทิ้งไว้ในดงแล้วกลับไปตอนผลของกรรมชั่วตามสนองพระสัสดาครั้นตรัสบุรพกรรมนี้ของพระมหาโมคคลา น, นั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย โมคลานะทำกรรมประมาณเท่านี้ไม่ในนรกหลายแสนปีด้วยวิบากที่ยังเหลือจึงถูกทุติีอย่างนั้นนั่นแหละละเอียดหมดถึงมรณะสิ้นหนึ่งร้อยอัตภาพโมคลานะได้มรณะอย่างนี้ก็พอสมแก่กรรมของตนเองแท้พวกเดรถีห้าร้อยคนกับโจรห้าร้อย ประทุษร้ายต่อบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้ายก็ได้มรณะที่เหมาะแก่กรรมของเขาเหมือนกันด้วยว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายย่อมถึงความพินาศชิบหายด้วยเหตุสิประการเป็นแท้ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทีแสดงธรรมจึงได้ทรงพาสิทธิประกาถาเหล่านี้ว่า โยดันเด์อดันเด์สุอัปปดุเทสุดุสติดัซนนันยัตารังท่านังคิปเะเมวะนิคชจติเวดนังพรุสั่งจานิงสรรรัสสะวะเพดนังกัรุกังวาปิอาบาทังจิตตะเขปังวปาปุเนราโตววอุปสกัง อภัพขานังวดารุนังปริขยังวยาตีนังโพกานังว่าปพังกุนังอัวาสะอาการานิอากิดันหติปาวโกกายสะเพดาดุปัญโยนิระยังโซอุป ป, ปัชติติผู้ใดประทุษร้ายในผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ผู้ไม่มีอัชญาด้วยอชญายอมถึงฐานะสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียวคือถึงเวทนากล้าหนึ่งความเสื่อมทรัพย์หนึ่งความสลายแห่งสิริระกหนึ่งอาพาธหนักหนึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่งความขัดข้องแต่พระราชาหนึ่งการถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรงหนึ่ง ความย่อยยับแห่งเครือญาติหนึ่งความเสียหายแห่งโภคาทั้งหลายหนึ่งอีกอย่างหนึ่งไฟป่าย่ำไหม้ เ, ร, เรือนของเขาผู้นั้นมีปัญญาสามเพราะกายแตกย่ำเข้าถึงนรกตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอดันเดสุความว่า ในพระขีนาศพทั้งหลายผู้เว้นจากอชาชญามีอาชญาทางกายเป็นอาทิบทว่าอัป ด, ดุเทสุความว่าผู้ไม่มีความผิดในชนเหล่าอื่นหรือในตนบาทพระคาถาว่าดัช น, นมัญยตรังท่านังความว่าในเหตุแห่งทุกสิบอย่างซึ่งเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง บทว่าเวดานังได้แก่เวทนากา้าอันต่างด้วยโรคมีโรคในศีรษะเป็นต้นบทว่าญานิงได้แก่ความเสื่อมทรัพย์ที่ได้โดยยากบทว่าเพดานังได้แก่ความสลายแห่งสรระมีการตัดมือเป็นต้นบทว่าครุกังได้แก่อาพาธหนัก ต่างโดยโรคมีโรคอัมพาตมีจักษุข้างเดียวเปรี้ยงง่อยและโรคเรื้อนเป็นตน้นบทว่าจิตตะเขปังได้แก่ความเป็นบ้าบทว่าอุปสกังได้แก่ความขัดข้องแต่พระราชาเป็นต้นว่าถอดยศลดตำแหน่งเสนาบดีเป็นตน้นบทว่า รรข่านังความว่าการถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรงเห็นป่านนี้ว่ากรรมมีการตัดที่ต่อเป็นต้นก็ดีกรรมคือการประพฤติผิดในพระราชานี้ก็ดีเจ้าทำแล้วซึ่งตนไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินและไม่เคยคิดเลยบาทประคาถาว่าปริศขยังวยาตีนางได้แก่ความย่อด ย, ยับแห่งเครียด สามารถเป็นที่พมณนักของตนบทว่าปะพังกุนังคือความเสียหายได้แก่ความผุพังไปก็ข้าวเปลือกในเรือนของเขาย่อมถึงความผุทองคําถึงความเป็นฐานเพลิงแก้มุกดาถึงความเป็นเมล็ดฝ้ายกะหาปนากถึงความเป็นชิ้นกระเบื้องเป็นตน้นสัตว์สองเท้าสี่เท้า ถึงความเป็นสัตว์บอดเป็นอาทิสองบทว่าอักยิดหติความว่าในปีหนึ่งเมื่อไฟผลาญอย่างอื่นแม้ไม่มีไฟคืออสนิบาตย่อมตกลงเผาผลาญสองสามครั้งหรือไฟป่าตั้งขึ้นตามธรรมดาของมันย่อมไม่เที่ยวบทว่านิรยังเป็นต้นความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรกก็เพื่อแสดงฐานะอันการกระ บ, บุคคลแม้ถึงฐานะสิบอย่างเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้แล้วก็พึงถึงในสัมปรายภาพโดยอย่างเดียวกันในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปิผลเป็นต้น ดังนี้แลเรื่องพระมหาโมคคลานเถียระ